พรุ่งนี้ไปเทศที่อื่นหลวงพ่อไม่ชอบไปเทศที่อื่นหรอก เ, เทศได้ตื้นตื้นมีสาลาลงชินขา้างชั่วเพราะว่าเขาเรียนกันต่อเ น, นื่องที่สาราลุงชินเขาก็พาวนาดีเป็นรองที่นี่หน่อยมาเรียนที่นี่เรียนเข้มข้นเรียนให้ได้หลัก ถ้าเราได้หลักของการภาวนาแล้วการภาวนาไม่ยากเลยง่ายมากเลยแต่ก่อนจะได้หลักนะั้นก็ลองผิดลองถูกล้มลุกลุกลุกลานครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกอะให้เราลองท่านจะทําให้ดูท่านไม่สอนเราเงียบๆไม่ค่อยพูดมายุคนี้ถ้าไม่พูดนะเราก็ไม่ทํา <laughs> พูดอย่างไม่ค่อยจะทําเลยเมื่อเช้าเดินมา สาราก็ตรวจการบ้านพระมาได้ๆมีพระมาถามเรื่องทําสมาธิทําฌานทำอะไรจียากอะไรเราต้องรู้หลักนะอย่างการปฏิบัติมันมีสองส่วนสมถะและวิปัสสนาสมถะทําไปเพื่อให้จิตใจสงบมีความสุขจิตใจได้พักผ่อนพอมีความสุขมีความสงบพักผ่อนพอสมควรแล้วต้องมาเจริญวิปัสสนา งานหลักของเราคือทำมิปัสสนานะงานสมถะเนี่ยเป็นงานสนับสนุนทำให้มีแรงทำมิปัสสน า, าถ้าทำแต่สมถะอย่างเดียวนะอนาถาเกินไปไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้คนอื่นเขาก็ทำสมถะเป็นนี่พอทำสมถะได้แล้วก็มาเจริญมิปัสสนาให้เกิดปัญญามิปัสสนาคือการเจริญปัญญานะสมถะเป็นการทำให้มีสมาธิ วิปัสนาทําให้มีปัญญาเอาจิตที่มีสมาธิแล้วเนี่ยมารู้กายมารู้ใจนะถ้าเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าเรียกรู้รูป ร, รู้นามนะถ้ารู้เต็มที่เราจะรู้นิพพานไม่มีวิธีที่สองเลยที่จะไปรู้นิพพานได้เรียกบรรลุถึงนิพพานได้มีเพีวิธีเดียวคือรู้รูปรู้นามให้มันแจ้งนะถ้าปัญญาแจ่มแจ้งในรูปนามในกายในใจ เห็นความจริงของมันนะเป็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาพูดง่ายๆมันเป็นตัวทุกข์นั่นถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้จิตมันจะปล่อยวางรูปนนะามวประจักษ์นิพพานใ น, ะนการปฏิบัติไม่มีอะไรมากไม่ยากอะไรนะจับหลักให้แม่นๆนี่ทำยังไงจะทำสมถะได้นะสมถะเป็นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิเอาจิตที่มีสมาธิไปเจริญปัญญารู้รูปนามจนกระทั่ง ลอยวางรูปนามแล้วนะไปถึงนิพพานเห็นนิพพานวิธีทําสมาธิก็ไม่ยากอะไรนะถ้าจับหลักได้เราก็ง่ายเห็นไหมอะไรเลยถ้าจับหลักได้ง่ายหมดเลยนะถ้าไม่มีหลักนะมันยากมันดูซับซ้อนมันดูสับสนเข้าใจยากเข้าถึงยากปกติจิตของเราเนะี่ยจะสายตลอดเวลาพรานนามาถึงวันนี้เห็นยังจิตสายทั้งวันเลยไม่เคยหยุดหรอก สายไปซ้ายสาไปขวาข้างบนข้างล่างไปข้างหน้าไปข้างหลังนะไปอดีตไปอนาคตไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งสารพัดจะไปจิต ท, ที่สายไฟสายมาเหมือนเว้านะเว้าที่ไม่ค่อยจะดีอะสายใครเคยเล่นเว้าไหมคนยุคนี้ไม่เคยแล้วมั้ต้องลุ้นต้นแก่ๆอย่างนี้ไม่เคย ว่าไม่ดีนะั้นสายสา ย, ส, ายส่ทรงตัวไม่ดีสายไปสายมาเวลาว่าติดลมบนรู้ถึงไหมอย่นิ่งอย่นิ่งจิตเหมือนกันนะจิตเนี่ยมันกระทบอารมณ์ก็สายไปสายมาสายไปสายมาอารมณ์ได้มันไม่นิ่งเนี่ยอรมมันเปลี่ยนตลอดนะ บ, บุบ บ, บับบุบบับไปทำไงว่ามันนิ่งได้ว่ามันนิ่งเพราะมันติดอยู่ในอารมณ์มันเดียวสม่ําเสมอเห็น ไ, ไหมสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียว ดูเบาๆดูสบายๆจิตก็เหมือนกันจิตมันวิ่งไปวิ่งมาใส่ไปใส่มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไม่ใช่สายไปใส่มาสเปซสปาหรอกสสยไปหาความสุขสายจะหนีความทุกข์ก็มีเท่านั้นแหละ เ, เจอความทุกข์อยู่ตรงนี้ก็หลบไปทางโน้น คิดว่าความสุขอยู่ทางโน้นกูวิ่งไปใส่ทางโน้นวิ่งวกไปบกมาสายไปสายมามันอยากได้ความสุขถ้าเราฉลาดนะก็จะทําสมถะเนี่ยเราก็เลือกดูอารมณ์ที่เป็นกุศลนะเอาที่เป็นกุศลแล้วมีความสุขจิตเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็เลือกเอาอารมณ์นั้นแหละมาทําสมถะกรรมฐานคนไหนที่โมโหน ะ, จะเจริญเมตตาแล้วมันมีความสุข ก็มาเจริญเมตตาคนไหนมีราคะมากจิตใจถูกรบกวนมากนะไปดูปฏิกูลดูสุภาะแล้วจิตใจมีความสุขคนไหนมันฟุ้งซ่านมากมารู้ลมหายใจแล้วไม่มีความสุขอะไรก็ได้นะไม่เฉพาะที่หลวงพ่อพูดหรอกสมถะกรรมฐานเะนี่ยไม่เลือกไม่เลือกอารมณ์นะใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดเลย เวลาพระอริยะบุคคลท่านจะทําสมถะกรรมฐานนะั้นบางทีท่านใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็มีนั่นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานไม่เลือกหรอกบางคนเรียนน้อยไปไหนก็คิดว่าอารมณ์สมถะกรรมฐานต้องใช้อารมณ์บัญญัติใช้อารมณ์ปรมัตดก็ได้รู้รูป ร, รู้นามก็ได้นะแต่ว่าไม่เห็นไตรลักษณ์หรือไปรู้นิพพานก็ได้ คืออารมณ์อะไรที่จิตใจอยู่แล้วมีความสุขจิตใจไม่หนีไปจิตจะพอใจจิตจะเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์ น, นั้นนะจิตมันก็ไประลึกถึงอารมณ์ น, นั้นอยู่เรียกว่ามีมิจตจิตมันเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์ น, นั้นโดยไม่ได้บังคับนะนั่นเรียกว่าวิจารณนะ ว, ว, วิจารณ์ไม่ได้แปลว่าวิภาควิจารนะไม่ได้แปลว่าคิดด้วยบงคนคนไทยแปลว่าตรองมีตกแปลว่าตรึกวิจารณแปลว่าตรองคนโบราณฟังอย่างนี้ เขาก็รู้เรื่องแบบคนโบราณคนสมัยใหม่ตรึกเป็นไงก็ไม่รู้แล้วตรองเป็นไงก็ไม่รู้ะรู้แต่ตรึกก็คงคิดนะตรองก็คิดอีกอะ่ะกลายไปกลายเป็นนักคิดไปหมดมีตกคือจิตมันนะไปตรึกไปะระลึกถึงอารมณ์อันแด น, นหนึ่งที่มันมีความสุขพอมันะระลึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขแล้วนะใจมันพอใจใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่ น, น, นเรื่องเป็นี้มีวิชาร พะมันไม่มนีไปที่อื่นนะมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้น <c oughs> เรียกว่าเอกภพตานะดูไปเรื่อยนะมีปีติมีความสุขขึ้นมามันไม่ยากหรอกต้องรู้จักไม่ใช่ไปบังคับจิตนะอย่างเมื่อเช้าสอนพระพระหลวงพ่อองหนึ่งทำไมโมหะเยอะวันนี้ไปเข้าสมาธิมาเข้ามิจฉาสมาธิอซิ ถ้าทำสมาสมาธิมันต้องไม่มีโมหะอยากจะให้ใจสงบเราไปรู้ลมหายใจก็น้อมไปน้อมใจน้อมใจให้มันสงบวิธีทำสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่น้อมใจให้สงบนะแต่ว่าให้ใจมันไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขแล้วมันสงบของมันเองเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิรานะพิธรรมสอนชัดเลย ถ้าเรามีความสุขที่จะรู้อารมณ์อะไรนะใจเราก็ไม่หนีไปจากอารมณ์ันนั้นเพราะใจมันจะวิ่งหาความสุขใจมันจะวิ่งหนีความทุกข์ถ้าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วเรามีความสุขเนะื้ใจมันก็ไม่วิ่งไปที่อื่นมันก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเห็นไหมหลักง่ายๆแค่นี้แต่กว่าจะเอามาสรุปพูดง่ายๆนะหลวงพ่อทำสมาธิหัวปลหัวปัมอยู่ตั้งนานหลายปีกว่าจะจับหลักได้ ครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำไปเรื่อยเลยไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะสงบเวลาลงมือทาแล้วก็ไปน้อมช่วยมันหน่อยนะมันจะได้สงบเร็วช่วยมันมันกลายเป็นสลบไปหมดไม่ใช่สงบนะแต่ถ้าใจเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะมันสงบเพียงวันเองมันจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวยกตัวอย่างนะบางคนชอบอ่านหนังสือ อ่านหนังสือนะเลือกหนังสือที่เราชอบสนะัง้งใจไหมหลวงพ่อเมื่อก่อนนะอ่านเพชรพระอุ ม, มาคนแต่งแต่งเก่งเราอ่านเนีนะอ่านแล้วแทบไม่นอนนะอ่นหรือบางทีอ่านหนังสือกำลังภายในนะอ่านแทบไม่นอนเลยถ้าอ่านหนังสือเรียนแล้วนอนเร็วเพราะอะไรเพราะมันไม่สนุกมันไม่ไม่ไมีความสุขนี่พออ่าน เพจพระอูมานของกูเลี้ยงอานอะไรนะแม้ไม่มีความสุขอ่านนานอ่านโตรุ่งก็ได้หรือบางคนดูบอลนึกออกไหมดูบอลมีความสุขนะดูได้โต้รุ่งนะเพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรที่มันมีความสุขแนละ้วมันอยู่ได้นานใจมันจะอยู่กับอารมณ์นั้นนานแต่เราต้องรู้จักเลือกนะเชื่อ <laughs> มาอ่านกําลังภายในแล้วก็บอกว่าอยู่กับความสงบตรงนี้นานอันนี้ยังใช้ไม่ได้ ใจมันยังก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงมันพอใจมันมีความสุขมีสมาธิเหมือนกันนะแต่มันสมาธิออกนอกหารมที่เป็นกุศลมาสักนันนะแล้วก็รู้มันไปได้ความสุขใจสงบอย่างหลวงพ่อชอบหายใจหายใจนั้นแต่เด็กพอหายใจแล้วมันมีความสุขเพราอน้นวิธีหายใจนะวันนี้หายใจดูต้องอย่างนี้ก่อนนะ ทำใจสบายสังเกตไหมเวลาเราจะแข็งใช่ไหมเวลาเรากลุ้มใจเราจะถอนใจนึกออกไหมกระบวนการง่ายๆเลยรู้สึกไหมเวลาถอนใจแล้วโล่งโล่งพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเนี่ยผ่อนคลายใช่ไหม ใจเริ่มมีความสุขแลหายใจใไปอยังมีความสุขนี่สงบทันทีเลยผลลุกแล้วหายใจจึกเดียวเพื่อปีติทันทีนี่นเรารู้อารมณ์นะยังมีความสุขรู้ไปอยังมีความสุขแต่เป็นอารมณ์ที่ต้องเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาต่อไปนะไม่ใช่อารมณ์อะไรนอกข้อออกไป อารมณ์ที่ดีที่เกื้อกูลกับการเจริญปัญญาต้องเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราอารมณ์บางอย่างไม่เกื้อกูลเท่าไหร่เช่นเราไปเพ่งไฟเพ่งเถียนเพ่งลูกแก้วเพ่งพระเพ่งอะไรข้างนอกเพ่งดินเพ่งลมเพ่งลมเพ่งไงตัวลมเรามองไม่เห็นด้วยตาใช่ดูใบไม้ไหวก็จะรู้เลยเดี๋ยวลมเบาเดี๋ยวลมแรงอะไรเนี่ยเพ่งอย่างนี้เรียกเพ่งออกนอก ให้เรานอกสงบนะได้ฌานได้ฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอะไรเงี้ยแต่ต่อวิปัสสนายากเพราะมันออกนอกไปสละไปสงบอยู่ข้างนอกไปรู้ไปเห็นอยู่ข้างนอกไปเที่ยวง่ายออกไปเที่ยวที่อื่นง่ายเราอย่างเราดูไฟสักดวงหนึ่งดูไฟใจมาออกนอกอยู่แล้วพอสงบปุ๊บเนะี่ยกิเลสอยากจะดูอะไรพาไปดูเลย เราเลือกอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเพื่อจะได้มาต่อเข้ากับการเจริญปัญญาง่ายๆเช่นเรามารู้ลมหายใจมารู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนหะ็นร่างกายเดินจงกรมไ ป, ไปรู้ไปอย่างมีความสุขเดินไปอย่างมีความสุขไม่ใช่เดินเมื่อไหร่จะสงบนะหลวงพ่อเคยเป็นนั่งก่อนโง่โ ง, งมีโง่ขนาดนั้นก็ร้ แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนสืบทอดป น, นิฐานโง่โ ง, ง่ไม่เคยขาดสายหรอกโ ง, ง่จริงไปบังคับใจะให้ใจสงบใจมเหมือนเด็กนะยิ่งบังคับมันยิ่งดือ้อเหมือนมีเนนมาเรียนเนรดือด้อเนรดื้อทำไมเนนดือ้อผู้ใหญ่ชอบไปบังคับมัน่ะถ้าเราหาอารมณ์ที่เนนมีความสุขใช่แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลมันค่อยๆให้ ให้ใจเข า, คาเคล้าเคลียในธรรมะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ดือ้อจิตนี้เหมือนกันนะอย่ามีบังคับเหมืนหลวงพ่อสั่งญาติโยมบ่อยๆ อ, อย่าไปบังคับลูกนะอย่าไปบังคับลูกให้ภาวนาบางคนนั้นโมโหลูกไม่ภาวนาโมโหใหญ่เด็กยิ่งดื้อใหญ่เด็กยิ่งต่อต้านเราภาวนาให้เด็กมันเห็นสี่นี้พ่อก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขเองจะโง่อยู่คนเดียวก็แล้วไปนะ เนี่ยมันทนไม่ได้นะมันก็อยากภาวนาบ้างเวลาที่เราภาวนาจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะมันเกิดพลังงานขึ้นมมันมีกระแสแห่งความร่มเย็นนีถ่ายทอดออกไปใครเข้าใกล้เราก็จะรู้สึกร่มเย็นเราร่มเย็นเยู่เแต่คนเลยสัตว์มันก็รู้สัตว์นี่มันรู้นะคนไหนร่มเย็นมันก็ชอบไปอยู่คนไหนร้อนมันก็ระแวงมันระวังเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพหลวงพ่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ คืองูเหา่านเะชื่องเชื่องนะั้นน่ารักสวยจริงๆเลยใครกลัวแต่งูนะไม่เคยสังเกตเหมือนท้างงูที่ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายนีย่ไม่ดุหรอกสัตว์ที่มันดุขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีประสบการณ์ไม่ดีนะงูมันก็สวยของมันนะเราดูงูเราก็มีความสุขแนละ้ว <c> น <oughs> เราภาวนาใจของเรา อยู่ในอารมณ์ที่สบายบางคนฟังซีดีหลวงพ่อก็มีความสุขฟังไปเรื่อยๆมีความสุขจิตใจสงบจิตใจร่มเย็นขึ้นมาเนี่ยเขมีความสุขมันจะแผ่พลังออกไปเนะี่ยดึงดูดคนอื่นให้อยากภาวนาด้วยบางคนก็เที่ยวชวนเพื่อนหวังดีมาภาวนาสิดีนะดีอย่างงู้นดีงี้พอเขาไม่ภาวนาเขาโมโหเขาไม่เชื่อหรอกไอ้หน้าอย่างเนี้ยนะตัวเองยังดูเอาไม่รอดเลย เพราะฉะเราเอาตัวให้รอดนะพวกทีเจ้าสอนฝึกตนฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นฝึกของเราก่อนถ้าใจเราทําความสงบนะอยู่ในอารมณ์ที่สงบเราสบายมันก็ดึงดูดคนเข้ามาคนเขาอยากเข้าใกล้เขาอยากปฏิบัติบ้างเะนั้นหาอารมณ์ที่เราอยู่แล้วสบายนะใครที่มีอารมณ์อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราแล้วก็สบายเอาวันไหน สบายเอาแคนั้นแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนรู้ลมหายใจแล้วสบายบางคนเดินจงกรมแล้วสบายบางคนรู้อิริยาบถสี่แล้วสบายบางคนขยับมือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแล้วก็สบายอย่ใาสา่หลงพ่อเทียนขยับไปขยับไปสบายสบายจิตก็สงบกา น, นเลือกเอานะไม่ยากหรอกสมถะ หาอารมณ์ที่สบายมาที่มีความสุขจิตรู้แล้วมีความสุขจิตก็จะไปอยู่กับอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ต้องบังคับถ้า <u> erm <at> บังคับจิตไม่อยู่หรอกจิตจะหนีเพราะจิตไม่มีความสุขจิตเหมือนเด็กนะเราบ <u> erm <at> ังคับมากมันจะหนีแต่ถ้ามันมีความสุขมันมาเองเหมือนเด็กออกไปสนนอกบ้า น, า น, นเราเรียกมากินไอติมนะมันมาเองเหม็มา like มาแล้วมันมีความสุขให้มันกินนะให้มันอาบน้ำทาแป้งเดี๋ยวมันก็นอนละมันมีความสุข นี่พอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแนละ้วอย่าเฉยอยู่แค่นี้ถ้าทําแค่นี้นะโง่อีกละนึกว่าฉลาดน้อยน้อยมากๆเลยไม่ใช่น้อยไปนหน่อยเนะสียโอกาสที่สําคัญในชีวิตคือเสียโอกาสของการเจริญปัญญาขาดการเจริญสติเจริญปัญญาต้องมาทําวิปัสสนาต่อทอํายังไงจะพลิกจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการมีสติรู้กาย ร, รู้ใจตามความเป็นจริง เพราะนเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยอย่าสงบอยู่เฉยๆเพลินๆมีแต่ความสุขอยู่เฉยๆะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจไหมหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเวลาที่จิตถอยออกจากสมาธินะจิตที่เคยสงบเนี่ยจะเริ่มฟุง้งซ่านให้เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปตรงนี้เป็นนาทีทองของการปฏิบัติเลยกานที่จะพลิกจากสมถะขึ้นวิปัสสนา ทำความสงบมาแล้วตอนที่จิตถอยออกจากความสงบเนี่ยอย่าเจตนาถอยถ้าเจตนาถอยจะปวดหัวจนะปวดหัวใจมันยังคล้ายๆมันยังนอนไม่พออย่างพักไม่พอเราไปดึงมันขึ้นมาเหมือนคนกำลังหลับลึกนะถูกปลุกขึ้นมาปวดหัวถ้าจิตมันถอนขึ้นมาเองนะค่อยๆรู้สึกมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยพอรู้สึกขึ้นมาแล้วอย่าไปบอกอา้าวสบายแล้วหมดเวลาปฏิบัติแนละ้วอันนี้ฉลาด น, น้อยมากนะ ไม่อยากว่าโง่นะเดี๋ยวไม่ฟังไม่เพาะไม่ฉลาด น, น้อยมากแล้วนะพอจิตถอนขึ้นมานะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายอยู่ท่าไหนก็รู้สึกไปนะจะเห็นเลยร่างกายที่อยู่ท่านี้อาจจะนั่งแล้วขอเยเอียงก็ได้นะนั่งแล้วแข้งขายเหยียดก็ได้ไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญว่านั่งท่าไหนนะสำคัญที่คุณภาพข้างในใจิตใจเป็นยังไงมีน้องร่วมสาบานหลวงพ่อต้องเรียกส่สตี เวลาภาวนาภนะาวนาเก่งนะคนนี้ภาวนาดีภาวนาเข้าใจธรรมะแต่เวลานั่งสมาธินะไม่น่านับถือพอ nang ขัดสมาธิดีๆนี่นะพอจิตรวมลงไปนะแข้งขามันจะเหยียดออกไปกลางแข้งกลางขานะคนก็แอบมาหัวลาะครูบาอาจารย์ก็เตือนอย่าไปหัวล้อเข้าหน้าตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงไอหัวล้อเขาบาป งันพอเรารู้สึกตัวขึ้นมานะร่างกายอยู่ในท่าไหนเราก็รู้สึกไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาใจจะเริ่มคิดเราก็รู้ทันว่าใจมันคิดใจมันเป็นยังไงก็ตามรู้มันไปเลยนี่เป็นวิธีการนะนี่แต่บางคนพอจิตถอยออกจากสมาธิแล้วถอยไม่หมดติดความสงบออกมาด้วยตัวนี้มีปัญหางั้นถ้าทําสมาธิแล้วถอยออกจากสมาธินะใจ ตื่นขึ้นมาเต็มที่อยู่ในโลกของมนุษย์ธรรมดาเลยไม่ว่าจิตมาอยู่ในกามาวาจรภูมิเลยเนี่ยดีที่สุดเลยแต่ถ้าจิตมันติดค้างอารมณ์ในรูปาวาจรอรูณ์าวาจรในอารมณ์ในฌานออกมามันจะซึมๆไปนิดหนึง่งมันจะคล้ายๆหลวงพ่อทําให้ดูทำเก่งโลกว่างเปล่าไม่มีตัว ม, มีตนไม่มีอะไรไม่มีสติไม่มีปัญญาจะ ไ, ไปเห็นอะไร ก็โงเ่เอาฉลาดน้อยๆฟังไม่เพาะโง่ความจริงโง่หละนี่ถ้าจิตมันค้างอารมณ์ออกมานะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้กระตุ้นให้จิตทำงานเพราะั้นครูบาอาจารย์วัดป่าจะบอกว่าพอทำความสงบแล้วนะให้พิจารณากาย ให้มาพิจารณากายพุโทโธแล้วมาพิจารณากายนะรูล้ลมหายใจแล้วพอถอยออกมาแล้วมาพิจารณากายพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆของสมาธิออกมาให้มันหลุดออกมาสู่โลกภายนอกนี้ให้ได้นะพอพิจารณาแล้จิตมันกระชับกระเฉงแล้วจิตยอมทํางานจิตยอมรู้กายจิตยอมรู้ใจกระชับกระเฉงแล้วหน้าที่ของเราก็คือเจริญสติในชีวิตประจําวันต่อไป ่กรรมฐานที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอ น, นะจะมีสามสเต็ปอันนึงทำความสงบเข้ามาทำความสงบอย่างเดียวนะไม่ดีหลวงปู่มั่นบอกทำความสงบมากเนิ่นช้านี่พอสงบแล้วนะใจยังค้างคาอยู่ในความสงบนะท่านให้พิจารณากายทําไมต้องพิจารณากายตัวเองเพราะว่าพิจารณาแล้วกิเลสมันไม่เกิดถ้าให้ไปพิจารณากายสาวนะเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นมา ยิ่งพวกที่ติดสมาธินะพอออกมาเจอหมาห ม, มาจะสวยด้วยซ้ํำไปเพราะกิเลสมันจะดีดตัวอย่างรุนแรงเลยหรือเป็นคนขี้โมโหไปทําสมาธินะสงบไปพอออกอยากสมาธิแนละ้วขี้โมโหมากกว่าเก่านะมันคิดดอกเบี้ยนะเราะนั้นครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจรารณาร่างกายตัวเองพิจารณาแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดกิเลสขึ้นมานะแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางาน เนการกระตุน้นพระหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเพะนั้นท่านมาพิจารณากายกันปลอดภัยพิจารณากายตัวเองนี่ปลอดภัยพิีรณาอย่างอื่นไม่ค่อยปลอดภัยนี่พิจารณาไม่ใช่พิจารณามันทั้งวันทั้งคืนหลวงปู่มั่นบอกอีกพิจารณามากฟุ้งซ่านเห็นไหมพี่นาพอดีพอ ด, พอดีพอให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาคล่องแคล่วปราดเปรียวกระชับกระเฉง หลังจากนั้นท่านถึงสอนบอกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเห็นไมหลวงปู่ ม, ม่นสอนน ะ, เ ป, ะ, เ, ปะเป๊ะเปเลยบางคนไปเข้าใจคลาดเคลื่อนนะไปได้ยินหลวงปู่ ม, ม่นสอนว่าพุโทโธพุโทโธโอ้ยสมถะแล้ว ม, มันบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงโกหกไม่จริงหรอกปรามาตร่วงเกินภูบาจารยนะ์ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นท่านก็ทาสมถะท่านก็รู้ว่าทาสมถะ ทำสมถะแล้วท่านมาพิจารณา ก, กายท่านก็รู้ว่าไม่ใช่วิปนะัสนาหลวงปู่เทศเคยสอนชัดเลยว่าคิดพิจารณา ก, กายไม่ใช่วิปนะัสนาหลวงพ่อพูดก็บอกนะว่าวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแนละไม่ใช่คิดเอานี่บางคนฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ตลอดสายฟังได้นิดๆก็ปรามายไว้ก่อนให้พุโทโธเป็นแต่สมถนะเห็นมเพราะไม่ได้ใช้อารมณ์รูปนามใช้ไม่ได้หรอก คิดพิจารณาตายก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นสภาวะธรรมเกิดดับจะเป็นการคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาก็ไม่ใช่วิปัสนาสิใครว่าวิปัสนาล่ะหัวใจอยู่ตรงที่มีสติในชีวิตประจำวันตรงนี้ทัท่านสอนว่ายืนเดินนั่งนอนนะจะคลองผ้าจีวรสังฆาติะชะฉันอาหารจะขับถ่ายให้มีสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตรงนี้แหละคือตัววิปัสนาแท้ ท่านถึงบอกว่าหัวใจของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้นี่บางคนเรียนไม่ดีนะเรียนไม่ดีหลังๆเนี่ยเริ่มหย่อนไปอาจจทำความสงบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยอมพิจารณากายหรือว่าสงบแล้วพิจารณากายแต่พอหมดเวลาปฏิบัตินะไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจำวัน้อย่ามาพูดเรื่องมารคผลนิพพานเลยห่างไกล ก็ตอนทําสมาธิอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งจะทําทสักกี่ชั่วโมงใช่ไหมเวลาที่เหลืออยู่ข้างนอกนี้แล้วปล่อยทิ้งไปเฉยเฉยกิเลสที่เอาไปกินหมดไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําความสงบแล้วอย่าสงบเฉยอยู่นะให้ต่อขึ้นวิปัสสนาพอจิตถอนออกจากสมาธิมานะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตามรู้ไปเลยแต่ถ้าถอนออกมาแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจมันเสื่องเสื่องซึมซึมอยู่กันนะ หาอะไรมายั่วมันให้จิตมันทํางานนะคิดพิจรารณากายก็ได้นะหรือพิจรารณาธรรมะอะไรก็ได้ให้จิตมันทํางานอย่าให้มันเฉยพนอะจิตมันทํางานนะคอยรู้สึกแต่อย่าให้มันฟุ้งออกไปข้างนอกนะคอยรู้บนเบียนอยู่ในใกายในใจตัวเองพอจิตมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วปรัดเปลียวแล้วเนี่ยจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนจิตจะคล่องแคล่วปราดเปรียวเห็นไหมมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้ ในพระไตรปิฎกเขาพูดถึงคุณสมบัติเหล่านี้เราทำสมาธิแล้วนะจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำจิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์น้มน้อมจิตนี้ไปเกิดให้เกิดอย่างทัศนะก็คือมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจด้วยจิตที่เบาๆจิตที่สบายจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตที่คล่องแคล่วว่องไวนี่รู้อย่างนี้เรื่อยอย่าให้มันเฉยซึมกระเทืออยู่ อย่าน้อมจิตไปอยู่ในความว่างบางคนเดี๋ยวนี้เริ่มสอนกันผิดๆนะสอนผิดๆไอ้นนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาจะเอาความว่างมีบางคนสอนนะหลวงปู่ดูลสอนผิดพูดอะไรจิตหนึ่งจิตสองไร้สาระไม่เอาอะไรสักอย่างบางคนก็ว่าหลวงพ่อเทียนนะคนเดียวกันแหละว่าหลวงพ่อเทียนนะอะไรจิตเป็นหนูรู้เป็นแมวไม่มีหนูไม่มีแมวหรอกอะไรๆก็ไม่มีเนี่มันข้ามขั้นข้ามขั้น จะไปเอาผลมันไม่ทําเหตุหลวงพ่อ บ, บอกตั้งแต่เช้าแล้วนะว่าจะเห็นนิพพานได้เนี่ยต้องรู้แจ้งรูปนามต้องรู้แจ้งในใจในใจนี่เป็นทางเดียวเลยเพราะพระพุพทธเจ้าบอกไว้ว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริร <S <S สุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นอยากจะถึงนิพพานที่แท้จริงนีอย่าน้อมใจให้เฉอยอย่าน้อมใจให้นิ่งให้คอยมีสติรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่น จิตที่เป็นกลางรู้ทุกอย่างอย่างสบายๆรู้อย่างเบาๆรู้อย่างนุ่มนวลนะรู้แล้วไม่ไปเพ่งรู้แล้วไม่ถลำลงไปรู้สบายๆปัญญามันถึงจะเกิดคือมันเห็นความจริงของรูปของนนะามพอมันเห็นความจริงแจม่มแจ้งแล้วมันจะปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือพอปล่อยวางได้นะพ้นจากรูปนามแลก็จะไปเห็นนิพพานไม่มีทางไปอย่างอื่นหรอกแต่ถ้าเราอยู่ๆเราก็ทิ้งรูปนามเราจะไปหลงอยู่ในบรรจั สติปัญญาไม่พอนะที่จะปล่อยวางรูปนามอยู่ๆนึกปล่อยเอาตามใจชอบใช้ไม่ได้นะบางคนไอโ้นโนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นโนท์ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาเป็นมิจฉาทิฏฐิทนัตถิกาทิฏฐิอยู่ๆก็น้อมใจให้ว่างน้อมไปทําไมความว่างน้อมแล้วสบายมันเป็นสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งก็น้อมใจให้อยู่ในความว่างๆเรียกว่าอากาสานัญจยตนะ น้อมใจไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงให้แต่งเรียกว่าวิญญาณัญจา ย, ยตนะน้อมใจให้ไปอยู่กับควาไมานะไม่มีอะไรเลยนะ่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอานะไม่มีอะไรเลยชื่ออากินจัญญายตนะน้อมใจให้ความรู้สึกเนี่ยเรือนรางลงไปแนะทบจะไม่รู้สึกเลยชื่อเนวสัญญาณสัญญายตนะเพราะนเวลาภาวนาผิดนะมันจะไปพลาดไปกลบมโลกเพราะฉะนั้นคำสอนที่บอกว่าให้ไปดูความว่างให้น้อมจิตไปอยู่ในความว่างนี่ นี่เป็นการทำสมถกรรมาฐานโดยที่คิดว่าทำวิปัสสนากรรมาฐานอยู่อันตรายมากเลยนะตอนนี้คนที่ดูจิตดูจิตหลายคนเลยไม่ได้ดูจิตให้เกิดสติปัญญานะมาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกถามหลวงพ่อไม่ได้ก็วิ่งไปถามคนนั้นคนนี้นะเขาพาไปอยู่ในความว่างเสร็จกันพอดีนะพระสีอานรัสรุปขึ้นมาพอท่านนึกถึงท่านอยากจะปลดแล้วท่านจะอุทานว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วพลาดจากคุณอันใหญ่ละ พระเสียานมาก็ยังกลับมาไม่ทันเลยคือน้อมไปอยู่ในว่างๆเพราะะไม่น้อมอยู่ในความว่างนะรู้สึกตัวไว้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้จนแจ่มแจ้งในกายในใจในรูปในนามนี้แหละเมื่อแจ่มแจ้งแล้วจิตจะหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้เมื่อจิตไม่ยึดในรูปในนามนะจิตพ้นจากรูปนามจิตจะสัมผัสพระนิพพานะ นี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไปดูในสติปัฏฐานได้เลยมีแต่เรื่องตายานุปัสสนาให้รู้ไปใช่หไหมเวทนานุปัสสนารู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายการเสวยอารมณ์มีจิตตานุปัสสนาให้รู้ทันจิตทึ่งมันถูกสังขารปรุงแต่งเดี๋ยวเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตรู้เนื้อรู้ตัว จ, ตนนจิตอย่างนู้นจิตอย่างนี้ ธรรมานุปัสนาก็คือรูปกับนามนะมีทั้งรูปมีทั้งนามเพนั้นรวมแล้วในสติปัฏฐานมีแต่เรื่องรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจไม่เคยมีสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยมีเลยเนะฉะนั้นถ้าใครสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานพวกเราที่เรียนหลักแม่นๆแล้วเราต้องรู้นะนั่นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถึงจะใสจีวรก็ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราต้องแม่นในหลักนะเราจะได้ไม่พลาด เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเรื่อยอย่าน้อมให้นิ่งไม่เอานะว่างสว่างบริสุทธิ์เลยไม่เอาทั้งสิ้นเลยนะรู้กายอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวรู้ไปอย่างที่มันเป็นไปพอถึงมันปล่อยวางรูปวางนามแล้วเนี่ยมันจะถึงความว่างจริงอันนั้นเป็นผลหรอกอย่าเอาผลมาทําเป็นเหตุนะให้เราต้องทําเหตุคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวันนี้เทศพอสมควร เชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ